เดี๋ยวไปใช้ในส่วนลูกก็บมีไม่จะดินจะหนักจะไฟจะร่มในส่วนลูกในส่วนหน้ามก็บมีดจะเวทช้านาช้างัาช้างขาเป็นยานเพราะมันจูดจำมันบรรจุทนิได้หรอกก่นพวงมีดยงของลูกญญญญของวทช้านาช้างขาช้งขาเนย่านก็มีหน้าที่เป็นเรื่องขึนของคมบะเทียง แผลอันเป็นทุกข์ว่ามัาเาเานเถือ่มันุคลอยู่สานักไม่ต้องทมาเลยเป็นจริงหรือสำนักก็มีก็ปนขึ้นเนือย อ, อริยสัจ อ, อริยสัจในไฟในไฟในไฟเกิดดับอริยสัจในวายไฟตั้งขานอริยสัจความจริงหันย่างสินสมาธิปัญญาก็ต้องพรารจังเหนื่ อ, อ, อ, อริยสัจทั้งจริง เมื่อพิาจารณาธรมจริงสังแนแล้วระยาสัว์อีกอันนึืก็เรียกว่านีโหลดทัสจะเพื่อทําหมายแกงในคันแทสันดานมันม่ง่ายสามทุกกะไม่งายสามสมมติไทยก็ไม่งานสามมักอัรนี่ไม่งานสามนีโรดก็ไม่งานสามก็เป็น3รี่เป็นทิ่สอง เดี ว, ว่าทอดจะสาขาดั่งเนยท้าพูดต่ำเนีท้าพูดส ย, ยานทัดสนาเห็นต์กลับไปจริงเอยยานะท่นสนงสวยช่างเอาหัวสีจังสี บ, บริสุทธ์นะเทวะเกโลกเกศ ส, ม า, กสามาเกศสามาเกสธรรมะพระมัญานเราได้เห็นหอดเทวะดาเทวโลกมั่ามานพ้มรวมกันแค่อันเดียวกันหมดเราจึงได้ยืนยันยว่าเราเ ป, ป็สามภูโตก็จังย่าสิง เดี๋ออยวาตสู้ยังททีมรีจออ่อาน้จาตนั้นเนี่ยัอุตาที่ปุบเปดเยมือเตียพบไม้เขาเอีกก็มุมี่เนว่าไม่ชาติเตี้นท่านี่ยเพราะว่าพนับพวกรสั่งมาเอายกกระมุที่มักกม ว, ว, ว, ว่าพวกเราลู่ท่านควบลงของเราแล้วสั่ไม้เขาโคมีสามชุดถ่ายห้ามันสา่นนี่นะที่ชาติเนีพูพกรี การักสุต่ายเขาสามนึ่งโง่งจอเขามาวิพัสนาธุระคือมีธุระทักปัญญาใช่ไมจังว่าวิพัสนาธุ ร, ธระรส่วนสมาธิก็เห็ดพ่อเห็ดจักเปลี่ยนบาทของของปัญญาคือเข้าเบิง้งเข้าเบิ้งอย่างเขาเาข้าไปยืนเบิ้งมันมาสักคันว่ามีสมาธิระแล่นอ่ะมันมาสักยืนเบิ้งมันไม่ักเท่าเบิ้งอย่างจังว่าสมาธิ รับก็จะหเหยืนเบิ้งอันนี้จางทุกครั้งอนาตานก็ให้รุดดูเี่ยสมาชิกมันรุดดูกันว่าม่งานมันถอนออกมามันถอนออกมาแล้วแบบโอ้ถ้ามาันสั้นนีย่ยเขายังยึดแต่อำนาจนี้จังเราควรสะได้พิจารณาขึ้นของไหนอะมีประเด็นจั คณะเหล่านั้นมันฝงมันกฟบฝงเฮ็ดมันเฮ็ดฝงกับย่มันก็บริกรรมเนาะคุณบริกรรมมันเป็นอันนี้แงทุกคังอนั้นตาอยู่ในตัวเลยแตจับอันั้นเรเปนตัวมันแต่ตัวเสีได้สึกนะก็เกิดควาับความบริกรรมพ้โทพุโธมันเกิดต้นรับอยู่คบริกรรมว่าบทียงบทียงหรือว่าเป็นทุกเป็นชุกอันั้นมบริกรรมเลยมันก็มันทางใครมันทางกระตะเองตัวอะไรใครตัวนั้นกระตะงงจังว่าแต่จับอันตัว้นมันได้สึก จับตัวนั้นเราต้อรสึกจับอ่ะตัวก็ได้กเดินเครื่องอร ป, ประกันตัวสำหรับวิพัฒนาปัญญาเป่าก็อนั้นเป็นเป่าเอาเป่าวิพัฒนาอ่ะเป็นเป่าเป่าอันบมันบะเทียงอันเดียวกหัหลเป่าเข้าหันแลพริกไปเป็นคั้วบะมันบะเทียงคือ พี่ไปเกิดขึ้นแหลไปควนแล้วแกสายซิพี่ไปควนโมมันว่เทียงซิก็เป่าเก้าอันเทาพี่ก็น่าเป่าสมาทานเป่าสมาทาคือกำหนดลมให้แกเขาออกเนาเขากระจับเป่าอันนี้เป็นควนโมมันวัเทียงอะไรเป็นจับเป๋านาจีจัเป่านี้เป็นพยานาระกาอื่นกับเป็นน้ำปั่นบดเนาะแต่แต่ตัวประกันมันจับเป่าตัวนี้เป็นทุกกองทุกอะมันก็เป็นทุกตัวมันจะหันออกไกลออกจากเขาลงจัมันก็บมันังมันก็คนตัวมันจะขันงจั ถ้ามันเศร้หันก็บอกคนไหว้บ่ฟังันมันก็บรรสนมันก่กดเาหายใจขอเดินหายใจขอนอกจากว่บังคับมันม่เนเลยแบควบเส้นของมันแบบควบกองทุกกองเส้นของมันมันก็หังเห็นเองมันบควบควบสนักของมันมันเป็นไอจินไตมันเป็นออจินจะทุกข์ลราว้นเราเป็นนิดจะทุกข์เราวมนเลยสานาในทางนั้นมันมันเป็นไอ้บดเองมันหายใจขอเป็นไอ้บท้องไก่ ซืต่อกายก็ว่าได้ซืบต่อกายก็ว่าได้เปลี่ยนนยาบอกกายก็ว่าได้บรนเทากายไว้มาให้ตายก็ว่าได้สมุดกาลังมาแล้วก็บรเทาไปไว้อีกเหมือนกันสภาทุกเมื่อท่าไสภาพอันนี้จังก็มเมเท่านั้นะสภาพอนาคตเม่อเท่านั้นะกรรมฐานเมเท่ารครับอันนี้จังกรรมเมือเท่านั้นอะ ยนกรรมฐานลงเรื่งกดนี่จังกนือกทุกข์ก็ไม่นือกิสิ้นก็ไม่วนอเรื่งสมาธิก็ไม่เจอเรื่อกดกายนลงการขยายออกรขยายออกกันหมดการยนลงกันหมดสัพพยอนลงมาเอกกขึ้นกันสัพพสังขารย้นลงมาเอกาสังขารขึนกันสพทุกข์ย้นลงมาเอกทุกข์ในปัจจุบันขึ้กันสัพสิ้นย้นลงมาเอกาสิ้นในปัจจุบันขึ้นกันสัพสมาธิย้อนลงมาเอกสมาธิในปัจจุบันควเกาะ พระเอกผู้กองออกไปย้ำได้ก็ได้ขาวมากพระเอกผู้กอูหูน้อยหูใหญ่ของพเอกของเก่านี่อเขาตีเล็กแล้วที่ตีคอยีแห้งนระชังก็ตีให้มันถือเล็กกับถือนาทางนั้นยกับเก่าน่คือเขาฟัดับเนือซป่ามานื้อซับควายซับแห้งซําไ้อกับน้ถือักเสียงเลย คืองางเนี่ยยางสายงาไง ไ, ไม่าปได้ไกลเย็บสีดด่ดินด้วยรถก็คือขันชิดรนไม่ไปได้ไกลเย็บสี่ดินออกไปเลยคือข้าวิดินที่ใส่มบเมเครื่องบินที่ใส่ชิแวกก็แวกซ่าไนได้ก็แวกอาคารเนี่ยก็ไม่ทัดดินย้ำกำกันเนี่เครื่องบินของแข็งว่มันทตดดินบ่วแวกร้อมไปว่มันทัดร ม, มอน้ำยังไงเครื่องบินว่มันมาัดน้า ไฟไหม น, มน้มันามันถา่าไฟรลมที่ทางออกกดเชียงินเพรามันรูดถานลมออกอันเก่านเหรอฮึชอบเออใช่สะอาดปะสะ อ, อาดฉ่ำว่ะทีฉ่ำว่ะทีฉ่ำกัแปลว่ า, า, าวชาญอย่างเงี้ยช่อชแปลวาอะไรสร้างธรรมา ต่ออเชื่อแปลว่าชาตินีชาติแปลว่าชาติเหมือนกันชานั่งแปลว่าเพ่งอยู่เหมือนชาเขาแบบก็เพ่งนี่แบบชาเขาแบบชาด้วยก่อชาอะไรตอท่อเชาเชืาะว่าาเึก็ได้คิดอันนึงอันไหนมันรับรับไปเนี่ถ้ามาชามันจะดับไปเลย เขาอาช่าอย่างกรลับอันอือเั่บ้มากดยเร่ันดืองันพักันเอางเนี่ยเกิดเนยรับจะมอกกันยเลเอาเนออันนี้จังทองอกกันเลยเอาอดีตอนัเอาอดีตนคนปัจจุบันก็มาบอกกันดยซ้ำเลาสมมติปัจจุบันบิดบดอย่าไมันเป็ียนอดีตไปละเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเป็นอดีตไปละ มองว่าร่างถกพอใจในรูป ท, ที่ถูกติกตังกับร่างเป็นคูปกระจกน้าของไลน์จัดระเบียเปลนจัเป็นทาง <c oughs> เดี๋ยวจับบังเหียนเงินเดี๋ยวไม่ีสติจ่ออยู่คอยบนความความเคลื่อนไหวของมันอยู่เดี๋ยวเขาไม่มีสติอยู่ <c oughs> เดี๋ยวเขาสำรวมอยู่กัว่าอะไร <c oughs> เดี๋ยวขเขาปฏิบัติอยู่กว่าอะไร เดี๋ยวก็มัดกับว่าอะไรกอเหตุที่เหตุที่ปฏิบัตินี่เดี๋ยวกขมัดเดี๋ยวก็เสียนกับแม่ก็ตัดเสียนในการจ่ออยู่เลยพี่ยันาเลยเดี๋ยวก็สมาธิตตั้งมันอยู่ในการพี่ยเลยเดี๋ยวก็ปัญญาละวางมันอยู่ดอกขอบมันอยู่ปัญญาในสันน้อันพปัญญามก็มีไสันเีนก็มีไสันสมาธิก็ม่ได้รนเลมันขาดเองนะขดการถึงทั่วสา ก็มันส่นก็มันทีเป็นทอดากพ้อมันเือว่าได้เปาควบประสงค์มันก็มันที่ทษดซมันว่ได้ตามกรรมมาลบของมันมันว่ได้ตามควบมาของมันขกกรรมมันขาดหรืทอดามันขาดนี่แหละมันขาดไปพร้อมับชนหมหาอบ่กาวขาดเดี่วทอดาขาดเดียวยงนขาดมหะมหะน่ายบทีสุดโหะาเป็นเขาปองชานนเี่ยไงอังชาสันดานเนี่ยนยบที่สุด ิตะอนันละเอียที่สุดนะวาับทั้งควาับทั้งตัวนี้มันเป็นตะปอนเที่สุด่ว่าอีนี่รอัวไว้เองตัวนสติละเอียที่สุดตัวนี้สติของทานาขานี่ตัวนี้คือหลักการที่นสัวดะวันหลักกามดัน ทีของฝาหนา้านี่ทีของอาลัตมัดตอนอัตะนขาดไปแล้วความหลงขาดเยอะอักตะมัมรกย่าง้กลุ่มยางกลุ่มทับสินขอนีเดี๋ยูดเดี๋ยวก็เขาทัขั้นตัวเดียวก็เขาพูเดีวก็เขาทัขั้นตัวสมมตเขาเป็นพูดเดวกเขาทัขั้นตัวว่าสมมตเขาเป็นพูดเดีวก็เขาทักขั้นตัวว่าเดี๋ยวกเขาเป็นู้เดี๋ว่าเขาับขั้นตัวเดี๋วกเขา เป็นผู้เลียของเขาองขัตัวเดีวเขาเป็นผู้เลียงของเขาต้องขั้ตัวสุดเขาเป็นผู้เลียงของเขาต้องขันตัวว่เดีวเขาเ่ยว่าจะ้าขั้นตัวนะแต่ไมิดออุปถัภ์นะอ๋อครับก็ม่อกัเห็น ตอนแ้วเขาบอกเป็นถ้ำยกรับั้ำเหมืลั่ารับเขาอ่ะนชีทุกสีหาว่าาซัพเป็นบาปเพราะฉะนั้นคนมบอกของเขาบัญญิเขาถละ่ก็สางเขาบอเขาจเปลี่ยนเปี่ยนเาย่างเขาปเอาเปี่ยนของัก็ละ่อะไรจะเกลียดสร้งอก <t os traveling sound> <tim> <altogether> าหัวจักร้หัวมันกระลักว่าไรเราครับสังห้องประเทศเอาเปรียบคนห้องกับญี่ปุ่นทุกเที่ยวเขาเม่เท่ากตามเขาหอนดึเย่ากหัวมันล่ยกว่าสกายชิทีอันนี้ก็เห็นเปลี่ยนเหตุมาที่ตัวที่ตัวมันนอไนส์ที่เรากรล้าหัวมันละบ่ไรเราครักาสร้างหัวมันนอมันว่าไรอีมันล่าไรกักยักหัวมันถ้ามันไมนเป็นท่ามัก็เห็นรเนาเพราะสัห้องกับญค่นไปเทียได้ั พูดให้มาบอกผ่านหอกอ่อนหงอสิไปไปชิมได้เขาสักหนึ่งข้าวหงวมันเลยแต่บว่าเสียงอ่อนคนบอกมันเป็นธรรมมันก็เป็นธรรน่แหลวันอันตอนมันประพฤติว่าเป็นธกับหมอกันไปเรียกหงอวันกันแล้วว่าแต่พกขเถียนวะพระพัเกต เขาลอกเพง่งรูดเขาตักเขาเขาลอกเพ่นไงย่มดอกบัวย่มือเส่ามันบาดย่ำมือแรงมันเหียวจะเขาหลอกเพ่งเงินแล้วพรเจ้าคนไป น, อน่องงงใส่ใจรักเพราะจะเรื่องคนทุกข์เงี้ยเฮ้ยกระลาของว่ามันได้จะว่าอุสัทเขาจะได้เห็นวาเนี่เนี่ยัว่ามันเป็นอันนี้จังหวาเขาหอกนี่ยเฮ้ยกระลาว่ า, ว า, ววามันกระตําเขาเลยแบบก็ดี๊จะลอกเพ่ ใช่อันนี้จังมันจะแตกย่างนของโลหิตตัมหนองนะค่ก็ี่ะคน้าเราเราเขายร่างกายรางแก่ก็หน่อาี่นามูทาคนมูทกรรงงักางครับ ก็บรรทัดแล้วเพราะคนหนึงนี uh ่อมิตรคนึวะีมิตรเพี่ยูนงลก้กดยอม้หน่อยก็คนนี้ม่มันถิมมีสัก่าต้กันก็ยังยอมไ้นอยก็คนนีม่เพนึ่งก็งมีอมิตรเดี่ยฉันกับอมิตรก็บพมีเครื่องกับที่มีคุนเี่ยอมิตรจะเมื่อวันิคาได้สิานแล้วสั่แต่ทั้หมดนเอาจะท่อเียเาะน็ทั้งอมิตน่ยนกับอิตกคร่องับ่มีขนตะ ก็ไม่เอาน่าเป็นการออกเปรียบกันไปเป็นการเอาเปรียบแต่หางได้อยู่หลายคนถามว่าอะไรได้อยู่หลานเพราะพอห้าวพอขี้ึงเนี่ยเมื่อทีตาความพอใจดีเมื่อบอื่นได้ดีไม่ใช่ตาความพอใจไดดีเม่อบุอื่นดีความนี้ก็ขีนี้เหมือนกันตัวการี่เปนนลา ทั้งต้องเอาเด็กๆไปย่ที่ไหนก็ทังองทีว่าทิ้งที่พวกในบ้านที่ชาวบานที่เห็นทีว่าเนี่ยวังที่ว่าหลอดก้อนร้อนก้อนที่มาท้องเนที่นท้องทีพวกพวกซําท้างเอี่สีพวกพูดชาวว่าซ้ำท้องเอี่ีว่าปรเภทสตาเพราะว่าดูสีสตาร์อ้เพศสตารพวกในแนวพูดชาวว่าซ้ำท้องทีว่าเรือเปลยนที่พวกเบาเลยอแสดงหา สวยนะฮไอสองของอ้งหยาของเงกข้างพี่วข้างนองสิทธานมากยกว่าสวยครับนฮะที่เกิดจุดกับพันพวกนี้เพรียเบาแล้วพกทำไมนักโท ษ, ใใโทษก็ขึ้นือฉีบะไรใส่โสร่ส่กวนนักโทษเน่ยะอยู่ในข้อความขวบคุ่มอร่การใช้งานนี่สิบสองแล้วพ ก่อนที่ะบันฑิตจะหยุดนมเนมทั้งจริงว่าม่ไม่ถเป็นหลอกเป็นหลอกมป็นเป็นจบมะนิยแมนอยู่แมนพวกนั้นเพราะเ่อมอาออันเปิดอันุธกายกับหลอกไดกันได้พวกพีน้ำทำน้ำเหี่ยวมาหนึ่งกอทัพพรเจ้าเสียบหรือพวกได้พกอ่นพวกะเข้าไปศูนคนมีอยู่นี่อยน้ำทำน้ำเหี่ยน้หตอมาเขาเขาเท่าพุทธเท่าาไปเข้าไปทิงมี่อยู่ เ่วดาส่ปเสิงเขาขมิอยู่เรื่องพิสิงเรื่พิสิงมีอยู่าเนี่ผพูดตีเห็ดกับฝันมีอยู่านี่ผพู้เห็ดจริงพูดจากจริงกัมีอยู่แ่หนคือคนสรักน่ะพู้รักจริงกับมีผู้ว่ารักจริงก็บมีนี่ว่าของท่านว่าพิปอมันคือจริตามโบราณพนมีอยู่แต่ว่าห่างเป็นช่วงน้อย่แล้วฮาแนวเรื่องหาใกันเป็นช่วนมา เพราะในพระท่านทำยัของเขาไม่ด้เลยสวสดปฏิมกยอดไร้ีลอะไีเขาสึกสุกเลสวสดปิมกยอดไร้ศีลึกสุก น, นั้นเคยถุดีมากเลยศีลมาเขนะาเวลาผีแล้วก็มีเรื่องเขาเลือดตายกินเลยสึกสุกนั้นจะ น, น, นันบเข้าใจมามกินอด้จะนับไหมสึกสุมันจะเป็นพอผีกินไม่ใช่พิษุกินเพราะไม่ได้ คือส่วนคือที่คือที่ทีาหอนมาท่านในส่มตอนนี้พส่วรทีพเขาที่เขาว่าตนไ้ยมอ่ี่ปเเน้ยเป็เว่าเหมอเออดตันมารีจองซื้อผิต้องมีสุขอันนี้ก็พมื่ส่งทีันจะมากๆเมื่อแก็้วกขานี่เออพกคนแล้วพวกคหอะไเี่ยพิจารแล้วห้าว่พยายามมัน ที่ข it. ัไปย่างนี้ขับไปแค่ไหขับไปสูงันมันกืบว่ามหาหงจำลองก็ะตกรับกระเด็นข้อนหายไรแสดงนครอบขาดกับมันตัวมากใส่ข้อนเดิมกันนั้นว่มีอะไรก็่ดิมกันว่มีอะไรนี่มรู้มาแล้วก่อนหนาที่เขาจะรับผลิากเช้าเขาไม่ตั้งตั้งห้องแต่ห้องคือมาทำอะไรนะโดยแท้จริงแล้ว เขาเนว่ า, า no ่าาตดน้อยกข้นใตรงนี้เคยขมเาเากรไหนๆอย่างขันว่านเคยทำเทศบากรกับเฉมากาอย่างเดียแต่ถ้าไปเคยขั้มเขาเะศาลกรสามักันเท่าก็เคยไปขั้มเขาเทศบากรเข้าเฉมากรไปนะฮะเวลาของเขากับกรอยาเคือเข้ามาเขาเอาสื้อตีเข้าเหนี่ยวเสื yeah. ้อกาแล้เขามตีเนี่ยมันใหญ่ก่าเข้าเข้าีเข้า่น้อย ก็ปกเน่อกมาส่วนท่าสีมันไงก็เข้ามาเขาอย่างเขา้ติเอาอีบอกเอาไปก่เอาแล้วขอหอมขนอย่าหนึ่งหอกต้เดลนไม่ใ่วกสุขิตเอาอีกบอกมตัวอกรณ์ตัวกเขาด้วยเขาเห็นมันตีได้เหรออแล้วสำนึกก็ปวดเนียตัวยากนิดห่อยสามบบ เขามักจะใช้เปรุ่งขันทังีเป็นบทสานนีเาต้อแล้วพวกพานตามขันทั้งขันตามพวกไหในที่ปนพิธีสาร้านเจ้านี่ครับรือหนาหมุาข้ง้าเขาเียกว่าานหน้าารอน้านทังร้านเจ้าขับรถไปต้องเาทุ่งไร่ีบางที่เทียบบางียตอทางขันทั้ใ้พวกันทั้งสานขาดกันไพูดถือ่พูดเขาทำก็ะทงหลมโาณเขานี่ พ่าหน้าพุโทโธพุโทโธพุลวงเลยเนอะ่ได้ก่าวเลยนี่พูดยังถือว่าพุทธะผสมยีแย่กับพูดถืออันนั้นแด่มือนกันโบวุ่นใจนะเพาถามันจะเป็นชาวพราแล้วพูดถือว่าพุกธะเราจะท่าทักอะบอไ่ได้เกี่ยวเลยต้างไปนอน่อยู่อใครเพีย้ยงน็ได้ยื้ทําการเพราะว่า ย, ยื้อทำพระเถ่าบม่เป็นหัวใส่หัมาาวมันน้าอ่ารสันทาวันมันจะเห็นงูอันงูมาหา ย, ยดีนี้ละ มาหาตับป้ายไปนี่นะผูาาญญะ้พิจารณากใช่ไหวันนันสัตว์นเพราะรคยดนต่หน่ทนโดนเื้อหนูว่าหาพวากายได้หรอเล่อืมเป็นชานเนี่ยเขาเด็กเขาป่าดงแดงเขากันไว้อ้อมอ้อมให้ผ่าเฉยๆันไว้เขาไปนอนในแตเงือเขเนี่ยเขาไปบวกสัวหันน่ะบวกซีฟนะซึ่งบัตรเขาไปแล้วจะไรวาเขาอย่หัน ห็นไปไแค่าลั ก, กไปบอกวงก็คือสิไ ป, ไปเป็นเวลาก็ปีละองเทีาต้องแยวไปในศาสนาถ้าวันรกเขาธรรมดานี่แหละถ้าวนแเขาธรรมดาแพรเมตตาพู้ทมนเี่ะแพรเมตตาพูทุกทรรรขรรร์ก็แพร่มเมตตาันนะ ถ้ามาในอันหนึน่งมันก็นไรทำขอได้ขอนนหนึ่งก็ไรอยู่ไม่ว่าพุทังสารนานังทำมังทั้งการยปิภาวะพยังว่าพยังเผวาไปทำพิจตังวาลงห้่งโซในเหตุสตีดีเธอเข้าไปในป่า ก, ก็ดี<ม>เธอไปอยู่ที่เรือนว่างเปล่าก็ดีเมื่อเธอทั้งหลายลึกกลัวเธอทั้งหลายจึงลึกถึงพระพุทธเมื่อรลึกถึงพระพุทธยังไม่หายเธอทั้งหลายจงลึกถึงพระธรรมหรือหรือลึกถึงพระพุทธหรือลึกถึงพระธรรมหรือ เรื่ถึงก็สงอันใดอันหนึ่งนับแากช่วงจะปโนกขึ้นไปกองความของเธอก็จะหายไปภายทั้งหลายก็จะเกิดกับพวกเธอก็ไม่มีน่าเหตุสถิที่ันใจจักสะดุดเร่วามคือทางสารพรางท่นมังท่านจะพิโคจาวะักปิตาจารวโ้อสวจะติิเมื่อแล้วถึงพรพะธรรมปสงอยู่อันใดอันหนึ่งภายทั้งหลายก็จะไม่ว่าเกิดแลวจะไม่มีเหตุด้วย ยังไงจะเคยเป็นการมาตรฐากรก็เรียบใส่อะอ่ไหอักไมนี่มม้อ๋ออาให้ระบก็มีผู้การางเรืกันเรียกว่าให้ต่างๆร่างกัเมื่อไรใหร่างกันเมื่ออะร่างกัเมื่อนนง จะล่างกรรมใดก็ไม่แต่พราหันคนเดียวเป็นอาวุธิกรรมไปแต่มันหัก ouais. ถึง right. ไม่ได้ํานตามถึงเลยทธิชนะกรรมใดกไม่แต่พราหันแบ่อเดียวมันตามไปถึงมันก็ไปหอดพอดในหน้าทางกลางนีเป็นอาวุธศิกรรมกรรมให้คนําเร็่ยแล้วให้คนทำเลี่แล้วเออไม่ใช่กรรมเข้าให้คนกรรมไม่พันภาษาต่อเนีปัจจุบันนักรรมพันกับภาษาเนี่นาคตกรรมพันกับภาษา มิจตกรรมเขาตามไปถึงตามไปถึงก็แต่ก็ที่แห่งนึ่งอุปมาคือสงขาน่ยพ่จ้าทีมมันทำเนี่ยมันขาดโซ่ทิมเยเจาบริิตนสงขาเนูเขานามากน่ามาเขามาเกียรให้าเขา่าสมมาสมท่งข้าวที่ดชลัยข้าทิมเ่ตรงกี้ออกอเดียวสงขาตรงอย่างนขาดเพราะแหงเจีนกับพวกอวบมันเชลัยจากวันเสาร คือ like, ว่าห้าวหรือเด๋ยว่าห้าวเพืเ็้อหนที่เหนห้าวิเขาเียนนักสนแ้วห้าวห้าวอะโอ้เป็นการบห้ากันตัวนี้ไม่ติดิดพุทธช่วงนี้เพรู <incentive al urg ia> ้เ <Geral> ว <t als> ่าสินี้ตดานเลยก็ห้าวเขเยนห้าแล้วห้าวห้าวปฏิิเขาเรนแล้วห้าวนอมาคือ้าวิเขาเขาอม่เขาไม่เขาไม่เขาไม่เใส่ยีกัแล้วว่าผิกรับตัวไนผิดติันบวมดกับเบาแ้่หางคํนบวมัดกัขึ้นหาเขาไ่ได้มาหาเขา เขาห้า่าตอ บ, บ เ, อบอบเออนี่เขามาตอบเลยเม่พาองเลยะดินเท่าบาทโอ้ยโรปะนเท่าบาทต้ามาจากภูเขาปะดินเท่าบาทต้อกมาจากภูเขานี่ย่อมพดนะยึดจังกอกผ้าเน่ยล่ะผ้ามาปะจะสอบปะจะสอบเอออะไรนะเพื่อนมากีนเท่าบามาจากาพูเห <c oughs> ม า, ม า, า, า, า เ, าเหาไป้ย้ยม า, ามา ตะกรอนเไม่ได้ว่าท like right. ั้งนั้นเนี่ยเากโมยเราไปทักผู้คนอื่อตะกอนพ่อมาเหมือนกันก็บว่าบรรดาพ่อพระของนั้นและมาหามาเห็นพระว่าอสัมาเข้าเข้าตะกรอนเนี่นมันเต่ากับมันแรกเนี่อนนีมาเมันบักคาอย่างเัมันก็จากยาขาอะไรเสร็งเง้ยข้าวฟัดยาบาดเสร็งเงี้ยจะไปเห็นอาตมาได้ยัอาตมาก็มาพ่ออาตมา รอบก็สมัก็ไ่ได้เห็นให้เลยจักไปทางไหนเลยสั่งอามากไปเป็นท้าวสุวราณัตมาจะไม่ใช่ต่อัศนมาได้เลยสั่งน่าั่เอาอย่างนี้มันหวอยนเลยสกระตุขาถึงก็ใหม่ขาถึงกใหม่ขาถึงกใหม่มกคุมไปครผมไปออกก็ใหม่ไปต้ฟันขาบปเครื่องคืองใช้บ้านตายฟันขาฟันขาหวา เขาแบบทัเก็บไรอ่ะเก็บไรอ่ะคงถ้าผาาจี้ว่าถ้าเราล่นวุฒลงหน้าม้าขับหงมยุคใหม่เจ้าของขหงมยุใหม่เจ้าของหงมยุคใหม่ก็มาพผาจีว่าตป๊กมาปกหัวเจ้าของไงมาโป๊กหัวเจ้าของม้าเขาใจว่าฟาโตมากกัดเจ้าของจะตายมึงกัดเจ้าองจะตายมานล้มกัดเจ้า้องจนตายตกทำไมละ ก็จะคล้องเกินกายแล้วได้ความได้ยินหอดทบอง์เจ้าบุคคลนผูเวียนบเบือนมุกคลนมาเวีย น, บ เ, บยนบเบืยนตอบเลยไพ่ ย, ย่อมนํามากหาเขาเหมือนดังกำพรุนโตร่มเหมือนร่มฝ่าร่มมาหลับไหวมันกเคลืนมาขวาตาเขาหรือเหมือนวชนำนาเถึงฝ่ามันเหมือนบ่ชถึงฝ่ามันกระตุกลงมาขนาดตกงองเจ เองระเผูเวเยนี่เทัเียลายผูเวทผองเขาฉันก้ง้ํายุนี่นย่น้ํามันเกิดเคลื่อหาพระเทพรัตั่มเคลื่นมหาไปใช้ะนี่มันเกิดเค่นาน้ําน่ไรอุปมาคือแบบนึงมวยเขามวยเขาเขาไเขาทาทายางไปทายางานี่มจองบาที่ ขลาไม่จองว่าซอกตอกตักสลัดนี่ตบน้อคจิบบลุกนม่ท่านกงสร้างเห็ดว่าไปสร้างไปจองอะไรเขาผู้กรรมการก็ไม่สาคัญหม่นี่เราะฉะั้เขาผมว่าสาคัญเนี่ยไปจองอะไรเขาซอกปลาขึ้นเยอเขาทั้งยางจุดจุจุดต่เต็มตอจองอะเขาตักขึ้นเลยว้นัอจิบบุลุกไม่สาคัญอะไรนั่นพวกเงินเงินแว่าสาคัญเนี่ยวลาไม่สาคัญนะม่นี่รมเนี่ยจะไปจองไปจองว่าเขา không khác những người